อยู่ในหุบหานลำธารห้วยหักเพลาะลงไปลนลงไปในลำธารลอยซอกซอนไปตามสุมทุมปมไม้ทะลุทะลวงไปจนถึงทะเลหลวงออกทะเลหลวงแล้วขอนไม้ท่อนนั้นก็ลอยไปลอยไปลอยไปวันดีคืนนี้อาจจะไปเจอขอนไม้อีกท่อนหนึ่งมาชนกันกึง้งแล้วก็แตกกันไปคนละทาง ชีวิตคนเหมือนขอนไม้ไหลจากหุบผาลำธารห้วยแล้วก็ออกสู่ทะเลหลวงขอนไม้บางท่อนที่ลอยมาเจอเราก็เหมือนกับสามีของเราหรือภรรยาของเราขอนไม้บางขอนลอยมาชนกันกึง้งก็ลอยคู่กันอยู่ชั่วระยะเนี่ยขอนไม้บางคู่ลอยมาชนกันป๊บเด้งออกทันที ขอนไม้บางคู่ลอยมาชนกันปับ๊บท่อนหนึ่งปัทะาแรงไปอีกท่อนหนึ่งหักกลางช่วงเวลาที่ขอนไม้สองขอนนั้นมาเจอกันก็คือช่วงเวลาที่เราได้มาเจอใครสักคนหนึ่งในชีวิตนี้แล้วกลายเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่ไม่ว่าจะมาชนกันสั้นหรือยาวขนานก็ตามในที่สุดขอนไม้แต่และขอนต่างก็จะต้องไปตามยถากรรมของตัวเองที่ใช้กัวมาขอนไม้ก็เพราะว่า ขอนไม้เหล่านั้นนะวันหนึ่งมันจะผูจะพังมันไม่เที่ยงไงฉะนั้นเราทุกคนเหมือนขอนไม้ลอยคออยู่ในมหาสมุทรเราจะประคับประคองอยังไงให้เราลอยอยู่ให้นานที่สุดขึ้นให้ดีและลงให้งามทําได้ยังไงอะไรคือตัวแปรตรงนั้นคําตอบคือธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราจะใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเลยนะมนุษย์นี่เกิดมาเนี่เหมือนสัตว์หมดเลยนะพุทจ้าพูดอีกอย่างนึงว่าสัตว์มันก็เหมือนมนุษย์อะ พระพุทธเจ้าเวลาตรัสถึงมนุษย์จะใช้คำว่าสัตว์ตะวัโลกพุทธันสันว่าสัตว์โลกเพราะว่าสัตว์ตะวัโลกกับคนนี่มันมีสัญชาตญาณพื้นฐานเหมือนกันนะกินกามหลับและกลัวภัยมีเสมอกันในคนสัตว์กินตื่นมาทุกวันเราต้องกินใช่ไหมมีมีใครแบบ กินมานานแล้วเสงขอเลิกแล้วปีนี้ฉันไม่กินอะไรละกินไปกระท่านั้น น, นนะมีไหมนี่มีนะกินนี่เรื่องใหญ่นะสาหรับหลายคนแต่สำหรับอาตมานี่กินถือเป็นเรื่องเล็กแหละเพราะระบวชมานานใช่ไหมเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์บวชมานานจนรู้แล้วว่าเรื่องกินเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้กินถึงเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม เนี่ยคนก็กินสัตว์ก็กินกินไม่เป็นเนี่ยอันตรายจะไหลเข้าปากเราเหลือเชื่อไหมมนุษย์มนุษย์บางคนนะเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะว่าป้อนป้อนอาหารที่เต็มไปด้วยสารพชใส่ปากตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนคนดื่มเหล้าบางคนดื่มเหล้าพอเราไปเตือนพูดเส่หน้าเราพระอาจารย์เป็นพระ พระอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ารสชาติของมันขนาดไหนพูดตามตรงพระอาจารย์บวชแต่เด็กไม่รู้เรื่องหรอกเล่านะ่ยนะผมจะทาไว้ตรงนี้ถ้าพระอาจารย์ได้ชิมครั้งหนึ่งนะนี่ก็พูดเสร็จหน้าเราเลยนะแล้วต่อมาอีกสิกว่าปีไอ้คอนคนนี้มันป่วยหนักมากป่วยหนักแบบเลยนะนอนแบบเลยลูกและเมียมันนิ่งหมนพระอาจารย์ไปโปรดอยู่โรงพยาบาลนะกระเพาะพังมือนิสันเลย หมอบอกให้ลดเหล้า <K an ly> เขาลดไม่ได้ต้องใช้วิธีจากเบาไปหาหน่ะคือลด ท, ทันทีไม่ได้หมอก็ใช้วิธีเอานั้น <K an ly> ให้คุณจิบเอาจิบเบาๆแต่ละวันให้จิบเบาๆจนกระทั่งถึงวารสุดท้าย น, นี่มลพระอาจารย์ไปเนื่องจากพระอาจารย์จําเขาได้แม่นเอาละ่ะสิปีแก้แค้นไม่ได้สายหรอก <K an ly> <K an ly> เราก็ถามโยมเล่าเป็นไง รสชาติของเหล้าอ่ะเป็นไงเล่าให้ฟังคุแกบอกโอ้พระอาจารย์ถ้าผมฟังพระอาจารย์นะมันคงไม่เป็นอย่างนี้เอตอนนั้นโยมบอกว่ามันสุดยอดไม่ใช่เหรอโยอมจําได้ไหมโยมดูถูกพระอาจารย์่ว่าพระอาจารย์ไม่มีประสบการณ์พระอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกนี่ตอนนี้โยมมีประสบการณ์นะโยมเป็นผู้รู้เรื่องเหล้านะใช่ไหมครับเล่า <laughs> ให้ฟังสิเล่าให้ฟังสิ แล้วเขาก็ ป, นนปืนมือขึ้นมามือ น, นี่สั่นอาจารย์ถมบอกมือสันส่นทําไมสั่นทําไมก็แบบผมไม่ได้สัน่นสั่นมาจากข้างในห้ามันดิให้มันสันส่นทําไมสั่นเพราะอะไรเนี่ยเล่าครับอาจารย์ก็ต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเมียมาาันกระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ต้อนเขาอย่างเงี้ยเกิดเขาตายขึ้นมามันจะยุ่งเอาหนาะอาจารย์บอกโยมไม่ต้องห่วง อาตมาจะไม่ทำเขาถึงตายหรอกแต่อยากจะให้เขาสำนึกสำนึกมาครั้งหนึ่งเขาดูถูกพระนะ่ะเราบีเทสนะมันจับใหม่เลยพูดกลางที่ประชุมอะ่ะพระอาจารย์อย่มาพูดเลยพระอาจารย์บวชแต่เด็กจะปีรู้เรื่องอะไรอย่าว่าแต่เล่าเลยเรื่องครอบครัวก็เหมือนกันโอ้โหพระอาจารย์จะไปรู้อะไรลองมีประสบการณ์สักครั้งหนึ่ง โหเราจำมั่นเลยนะนี่คือคนที่ดูถูกธรรมะนะแล้วแล้วใช้ชีวิตสวนทางกับธรรมะทุกอย่างวันหนึ่งพอเจียนอยู่เจียนไปจะตายขึ้นมาเกิดอยากเจอพระอาจารย์ถามมายอมอยากเจอพระไปทำไมเพื่อบอกว่าผมหลับตาแล้วนี่มันมืดไปหมดผมมองไม่เห็นแล้วว่าโลกข้างหน้าของผมมันคืออะไรนึกไม่ออกว่าตายแล้วมันจะไปไหนนี่แหละก็เลยนึกถึงธรรมา อาตมาก็บอกว่าโยมกินเหล้าทั้งชีวิตอ่ะโยมทําไมไม่ภาวนาว่าสุรังสารนังกัจฉามิสุรังก็สุราไงพุทธังสารนังกัจฉามิถ้ามังสารนังกัจฉามิสังกังสารนังกัจฉามิแล้วต่อสารณาที่สี่สุรังสารนังกัจฉามิอาตมาพูดจนกระทั่งเขาหัวเราะออกมาแล้วเขาก็ยิ้ม จะมาถามายิ้มทมําทไมหัวเราะทาไมแกบอกว่าผมสมเพศตัวเองที่มารู้ตัวเมื่อสายนิมนต์พระอาจารย์ไปเพราะอะไรหรือ่ะอยากขอขามาเมื่อสิบปีที่แล้วที่พระอาจารย์ไปเทศแล้วเขาไม่เพียงแต่ไม่ฟังนะลุกขึ้นท้าทายด้วยนี่แหละยอมแพ้บ้างคนหลายคนนะกินไม่เป็นเอาของที่เป็นอันต ร, รายต่อสุขภาพกรอกใส่ปากด้วยทุกวั น, ท, วนทุกวันทุกวัน ก็มีคนไปบอกไปกล่าวไปแนะนําก็หาว่าพวกนี้เป็นพระเดชการศิลธรรมพวกนี้มันตํารวจศิลธรรมมายุ่งกับเรื่องชาวบ้านแต่ตอนจะตายเนี่ยมายุ่งกับเราทาําไมใช่ไหมตอนจะตายนี้มายุ่งนะแล้วทำเนียมเมืองเหนือนี่ถ้าจะตายนะจะต้องนิมนต์พระจูงจากบ้านที่ตั้งศพไปจนถึงเชิงตะกอนเนี่ยปีเนี้ยแต่มาพาไปจูงศพ เขาก็คิดว่าจากบ้านเขาไปป่าช้ามันใกล้ไม่ได้ทําการบ้านไปจูงมันยาวสามกิโลเมตร <c oughs> โอ้เกือบเป็นลมนะยมแล้วเผลอจูงเข้าไปแล้วต้องส่งจนถึงเชิงตะกอนพอถึงเชิงตะกรแล้วพัดลมก็ไม่มีน้จตะแก้วเขาก็ไม่ถวายเราเขาโม่ไปต้อนรับแขกโน่นนี่นั่นเรานี่จูงศพมันมาแล้วต้องไปนั่งรอ ร อ, อะไรโรอถวายผ้าบังสุกุลผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบอต อ, อบอจอใครไปในงานนั้นทั้งหมดมันจะเชิญทั้งหมดเลยเรานั่งดูอยู่ครึ่งชั่วโมงมันจะถวายหาอะไร <c oughs> นั่งคิดในใจว่าตอนเป็นคนไม่สนใจธรรมะเลยลุงรับดับขันไปนะจัดหนักโยมจะรับพัฒน์จะทำาหมอืม ให้พระอาจารย์เทศหน้าศพด้วยนะเนี่ยอาตมาถามถามเมียเขาโยมเจตเทศยังไงไม่รู้ละ่ะอาจารย์ช่วยเขาหน่อยแล้วกันพระทางบ้านทั้งเมือง่เขาไม่อยากฟังเขาอยากฟังพระอาจารย์เทศเทศถึงเขาหน่อยจะให้อาตมาเทศเกี่ยวกับความดีเขาเหรออาตมาลํ า, <laughs> า, าลบากใจนะโยมอิตานี่มันทําดีอะไรบ้างเนี่ย เนี่ยเวลาจะตายอย่าทำให้พระลําบากใจนะนึกถึงความดีไม่เจอเลยธรรมะไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยพูดเล่าพุทธประวัติ <c oughs> เล่าพุทธประวัติเล่าไปเรื่อยตอนสุดท้ายก็บอกว่านี่แหละพุทธประวัติถ้าเราไม่เรียนรู้จากพุทธประวัติเราก็จะใช้ชีวิตไม่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าท่านใช้ชีวิตให้เราดูใช่ไหมพุทโธนั้น เป็นสุดยอดมนุษย์เป็นสุดยอดมนุษย์ทุกวันนี้พระองค์ดับขันทัประนิพานไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีโลกนี้ลืมพระพุทธเจ้าไหมทุกวันเพนเดือนวิสาขะทั่วโลกจัดเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้พระพุทธองค์มีที่ไหนบ้างมีคนไหนทำได้อย่างนี้องค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขะบูชานะเป็นวันสาคัญสากลขอ ง, ององค์การสหประชาชาติ จัดงานเฉลิมฉลองที่สำนักงานใหญ่ยูเอที่นิวยอร์กทุกปีเฉลิมฉลองให้กับพระพุทธองค์และทุกวันมีคนตั้งนะโมวันหนึ่งไม่รู้กี่แสนล้านจบใช่ไหมแล้ว เ, เดี๋ยวนี้เกิดเกิดแฟชั่นใหม่ในเมืองไทยนะเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนพ่อแม่ตั้งชื่อว่านโมเห็นไหมวันเมื่อวันนี้ก็เจอโยมคนหนึ่งนะพาลูกมากราบลูกชายชื่อนโมอาตมาก็เลยแซวว่า ไปหน้าได้ลูกสาวตั้งชื่อตัตสาไหนๆก็ไหนๆละให้มาให้ครบไปทีเดียวเจ่ไหมแล้วได้คนที่สามก็น้องพักเขาวโตมีคนที่สี่ก็อาราโตมีคนที่ห้าก็สัมมาสัมพุทธตัสสะ เ, เดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นนะแล้วมีโยมคนหนึ่งพาลูกมาจากญี่ปุ่นวันเนี้ยมาหาตามาตั้งชื่อว่าน้องพระวันตี ตัดมาจากธรรมพระเทวว่าเห็นไหมนี่คื อ, คอแนวโน้มคนรุ่นใหม่สนใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นแต่คนรุ่นเก่านั่นที่ชอบท้าทายธรรมะพระแล้วว่พอพระเทศไม่ฟังอาดามานี่ประจําเลยมีงานหนึ่งอาดมาไปเทศเขาบอกว่าพระพระหน้าเด็กบวชแต่เด็กจะไปรู้อะไร อัตนนมาก็ไม่ไม่โกรธนะเดียรตนนมาเป็นคนที่ความจําดีมากพูดอย่างนี้ใส่เราเดียรเธอแกตายก่อนอยู่แล้วเพราะแกอายุเยอะถ้านี่หมดเราจะไปทันทีเราจะไปซ้ำจนตายคาเพียงเลยนะเนี่ยคนเราใช้ชีวิตไม่เป็นไงพอใช้ชีวิตไม่เป็นก็ทําให้ตัวเองลำบากกินไม่เป็นอยู่ไม่เป็น พอเจียนอยู่เจียนไปมาก็นิมนต์พระเปะเทศพอพระเปะเทศก็ไม่ฟังมีมีคนหนึ่งอาดามาสะเทือนใจมากนะนิมนต์อาดมาไปงานอาดามายุง่งแย่จะยุง่งจนไม่รู้จะพูดยังไงลูกหลานก็บอกมาเธอจะเอาเครื่องเบินเจ็ตไปรับขอให้พระอาจารย์มาเขาเป็นคุณยายอาดมาก็ไม่อยากไปลูกหลานก็ขยันขยอยบอกว่าไปเถอะไปปวดคุณยายให้หน่อย คุณยายอยากเจอพระอาจารย์อาตมาไม่อยากไปคือพอเจียนอยู่เจียนไปแล้วนี่มันพระไปนี่มันอันตรายนะหนึ่งถ้าเราไปแล้วรอดเนี่ยมันเป็นผลงานเรายืดดักเ <c oughs> ขาไปปุ๊บท่านว่ออกมาแล้วดับจิดนะเขาเอาไปลือนะามาแล้วตายเลยเ <c oughs> สียมไหมก็ไม่อยากไปคุณยายก็แปดสิบกว่าแล้วเป็นอัลไซเมอร์หลงๆเริ่มแล้ว พอพระอาจารย์ไปถึงลูกหลานล้อมเตียงอืะอาจารย์ก็ไปยายจำได้ไหมลืมตาขึ้นมาอู้จำได้ท่านสมปองโอ้โหแํามาอยากเดินกลับเลยทำกันอย่างนี้หรอฉันนั่งเครื่องมานะเนี่ยนั่งเครื่องบินมาหนึ่งชั่วโมงต่อรถมาอีกชั่วโมงหนึ่ง เพื่อที่จะทําอาตมาไม่ได้เลยลูกสาวกสิบพระอาจารย์ไม่ต้องตกใจล่ะเมื่อวานท่านสมปองมาปวดก็บอกว่าท่านหวอกโกรธกลับไป <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคนเราใช้ชีวิตไม่เป็นน่ะกินไม่เป็นอยู่ไม่เป็นมัวแต่หาเงินหาเงินหาเงินงน่ะทำมาไม่หาเจริญอยู่เจริญไปจะตายขึ้นมาหรือหมดเงินได้หาไว้นั้นจะหาแต่ธรรมะอย่างเดียวพอพระไปอยู่ก้างเตียงบอกให้โยม หายใจเข้าลึกลึกลึกหายใจออกยาวๆนี่โยมคนหนึ่งยกมือพระอาจารย์ไม่ต้องหายใจลึกๆยาวๆได้ไหมทำไมพอหายใจแล้วมันไม่สุดคือมันไม่มันไม่ลงถึงท้องละลมหายใจมันมันเบามากโยมบอกว่าโยมหายใจลงมาถึงคอเนี่ยมันก็ตับไปเลย <laughs> แสดว่ามันจะไปละเห็นไหม มีคนหนึ่งเหมือนกันคนแก่เครื่องออกซิเจนครอบครึ่งปากครึ่งจมูกอตาตมาไปถึงอตาตมาคิดว่าแกเป็นนักบินเอฟสิบหกอ่ะมันครอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วพยายามจะพูดกับอตาตมาอตาตมาบอกโยมไม่ต้องพูดโยมอยู่เฉยๆอตาตมาจะพูดนะแล้วก็ร้องไห้ร้องหม่มร้องไห้อาตมาถามว่าร้องไห้ทําไมเขาก็บอกว่าโยมกลัว กลัวอะไรกลัวตายนะอัตมาเลยบอกว่าโยมจะกลัวหาพระเดชพระคุณอะไรเกิดมามันตายทุกคนโอ้โหพอพูดอย่างนี้ปุ๊บลูกชายลูกสาวประกบอัตมาเลยพระอาจารย์อย่าใช้เฮสต์ีชอัตมาบอกนี่ไม่ใช่เฮสปีชคนจะตายแล้วเราต้องพูดความจริงเลยจะมานั่งปลอบโยนโลกสวยทำไมใช่ไหมพอจะตายแล้วมาบอกว่า ยายไม่ไม่ตายหรอกจะพูดทำไม <_ EN> เวลาเหลือน้อยเราต้องพูดความจริงเลยเพื่อให้เขารู้จักปล่อยวางความยึดติดถือมัน่นพระพุทธองค์สอนไว้เลยนะเวลาพระจะไปเยี่ยมคนป่วยหนักเน่ะเราจะไปบอกว่าเอยโยมโยมไม่ต้องห่วงหรอกนะเชื่อธตรมมาอย่างโยมต้องอยู่ไปอีกร้อยยี่สิบปีนี่พายโยมประมาทเลยนะใช่ไหมนี่นี่พายโ ย, นะ ย, ยมประมาทพระพุทธเจ้ า, าไม่สันเสริญ คนเจียนอยู่เจียนไปล่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเราต้องพูดความจริงและเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นพูดโกหกใส่แกไงแกถึงไม่รู้เรื่องไงเลิกเลยนะเลิกพูดโกหกอาตมาก็บอกโยมโยมไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นของได้ฟรีท่านดีที่โยมเกิดความตายนะ่ะมันเช็คแฮนมาเลยนะใช่ไหมพอโยมเกิดมาปุ๊บเนี่ยความตายเนะี่ยเขาแถมมาเลยนะเขาประกรบให้เลย ถ้าความตายเป็นหน้ามือความเกิดเป็นหน้ามือความตายเป็นหลังมือมือคู่กันอระธรมาเลยบอกโยมไม่ต้องกลัวเกิดกับตายเป็นของคู่กันโยมก็ตายอาตมาก็ตายพอพูดแล้วก็ก็ร้องไห้ธรรมาหานมาร้องไห้ทำไมเสียใจน่าจะได้รู้จักธรรมะมานานกว่านี้ หาอยู่หากินมาตลอดชีวิตไม่เคยหาธรรมะเลยพอรู้ขึ้นมาพอเจินอยู่เจนไปจะตายแล้วหลับตาลงนะแกบอกว่าแกมองไม่เห็นอะไรเลยเงินกองเป็นภูเขาเรากายะยายแกยังไม่ตายนะลูกหลานทะเลาะ ก, กันบีบให้แกเซ็นมอบมรดกแกบอกว่าสะเทือนใจที่สุดโยมคิดว่ามันรักโยมที่ไหนได้เมื่อวานนี้มันทะเลาะ ก, กันเนี่ย มันรูดม่าน ก, กั้นเตียงโยมแล้วมันทะเลาะ ก, กันต่อหน้าเลยให้โยมได้เห็นไปเลยว่ามันจะแบ่งกันเท่าไหร่แล้วโยมแม่สะเทือนใจสะเทือนใจมากว่าที่ดูแลกันมาไม่รักเลยจะเอาที่ดินจะเอามรดกไม่มีใครพูดว่าจะยื้อชีวิตแม่ได้ยังไงแล้วคนแก่นอนสะเทือนใจอยู่ตรงนั้นนะมีใครรู้ไหมนี่คือเรื่องจริงไม่อิงนี่ให่เห็นไม เนี่ยแม่ก็เลยได้รู้ว่าลูกหลานที่ล้อมหน้าล้อมหลังไม่ได้รักเท่าไหร่หรอกอยากจะได้มรดกพ่อแม่ยังไม่ตายทะเลาะ ก, กันให้เห็นแล้วเห็นไหมฉะนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่หาธรรมะเอาไว้ใครจะมาเป็นที่พึ่งให้เราจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยโยมคิดว่าไอ้สิ่งที่โยมมีมันช่วยโยมได้ไหมสายสะพายเอวยรงวันเอย นะเข้าของแบรนด์เนมทั้งหลายนะโยมคิดว่าโยมขนลงลงใส่ในลงได้บางคนสะสมอะไรแต่ไม่หมดเลยนะพอจะตายขึ้นมาเนะี่ยของพวกนี้ต้องทิ้งหมดแล้วพดตรงจึงตรัสว่าเวลาที่เราจะตายเหมือนคนที่บ้านถูกไฟไหม้คนที่บ้านถูกไฟไหม้หยิบชวยอะไรแล้ววิ่งออกไปข้างนอกได้สิ่งที่ติดมือมานั่นคือสมบัติที่แท้จริงของเขาที่เหลือต้องปล่อยให้ไฟไหม้ให้หมด ชั้นใดก็ฉะนั้นเวลาเราจะตายขึ้นมาคุณ่วยอะไรไว้ได้บ้างถ้าคุณไม่ได้่วยความดีเอาไว้คุณไปแต่ตัวสมบัติประดามีเป็นของสมมุติสรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันยืมโลกมาใช้ต้องคืนให้โลกนี้ทั้งหมดทั้งสิน้นที่นี้กี่คนที่จะรู้เรื่องพวกนี้ระหว่างเกิดระหว่างตายคุณทาอะไร อยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มอยากเสบก็เสบอยากหลับก็หลับอยากนอนก็นอนพระมาประกาศธรรมไม่สนใจไม่เพียงไม่สนใจมากันแน่กันไหนพระบางครั้งพระเทศอยู่เล่นไลยเฉยเลยนะสะเทือนใจพระก้มหน้าดูโทรศัพท์พระอยากเดินลงจากธรร ม, มาไปขอดูด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือฉันอยากเห็นมากเลยทำายน้าใจพระนะเนี่ย กนไมไม่รู้จักแสวงหาแก่นสารของชีวิตระหว่างเกิดและตายพอเจนอยู่เจนไปจะทายขึ้นมาจริงๆทุกโจรของแม่แทบลม้มแทบตายนี่มลพระไปบอกทางพระจะบอกอะไรได้นี่มลพราไปบอกทางอาตมาก็เคยไปแล้วก็บอกทางโยมฟังอาตมานะหลับตาพิมไม่รู้เรื่องเลยโอ้เออหมด พราะเราเป็นส่วนมนก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราเทศก็ไม่รู้เรื่องนี่แหละนึกถึงคุณพระคุณเจ้าตอนนี้ลูกแก้วเมียขวัญทังคุณเหรอคนหนึ่งนั่งนวดเท้าคนหนึ่งนั่งนวดแขนเมียหันไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ําพระจะเข้าห้องน้ําก็เข้าไม่ได้มันยึด <c oughs> มันร้องไห้ยอยู่ในี <c oughs> ่ยนะประสบการณ์ปวดพระกว่ายี่สิบปีเราตะมาเจอคนที่เผชิญความตายไม่เป็นมานั่นไม่ท้วน แต่ได้ระหว่างชีวิตที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาหาธรรมะไว้แต่นั่นนัเช่นมาปฏิบัติธรรมนะถึงนาทีนั้นมาไม่มีอะไรต้องกลัวละเพราะคุณเตรียมมาตลอดชีวิตใช่ไหมเนี่ยเราโชคดีแค่ไหนที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมที่เนี่ยเพราะเราได้เตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเพราะมาปฏิบัติธรรมเราจะกินเป็นเราจะอยู่เป็นเราจะหลับเป็นเราจะนอนเป็นเราจะใช้ชีวิตเป็นเราจะทํางานเป็นทุกอย่างเราจะทําเป็นทั้งหมดเมื่อ น, นาทีสุดท้ายเดินทางมาถึงเราไม่เดือดร้อนอะไร เราะจะรอรับความตายดังหนึ่งคนงานรอสัญญาณระคังเลิกงานระคังดังแก้งตอนห้ามองเราดีใจเก็บของลุกไปเลยคนที่เขาพร้อมนะเขาต้อนรับความตายแบบนั้นส่วนคนที่ไม่พร้อมนี่พอ ร, รู้ว่าตัวจะตายเท่านั้นแหละโอ้ยุ่ ง, งมากเลยสิ่งนั้นก็มไม่ได้เตรียมสิ่งนี้ก็มไม่ได้เตรียมโน่นนี่นั่นสารพัดชีวิตมันยุ่งเหยิงไปหมดฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเราใช้ชีวิตไม่เป็นกินก็กินไม่เป็น เอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใส่ปากใส่ปากใส่ปากสุดท้ายมันก็ไปทําร้ายกระเพาะลําไส้อวัยวะข้างในพังหมดเห็นไหมการ ม, มีความสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ไม่เป็นมีปฏิสัมพันธ์ก็ก็ไม่รู้จักดูแลคนที่ตนรักสร้างครอบครัวก็สร้างครอบครั ว, รรรวไม่เป็นครอบครัวล่มสลายเห็นไหมกินกามหลับถึงเวลาหลับก็หลับไม่เป็นมันก็หลับไม่ได้ เพราะปล่อยไม่ลงโปรงไม่เป็นทรงผลถึงการหลับกว่าจะหลับได้แต่ละคืนต้องกินยา น, นอนหลับเป็นก่าๆที่ไร่เชิญตะวันเรามีนกเยอะมากนะใกล้ใกล้กุฏิอาดามาทุกวันนี้อาดามาตื่นเช้าเพราะนกมันร้องมีอยู่วันหนึ่งอาดามาลองอไฟฉายฉายไปดูโอโหต้นไม้ต้นหนึ่งนกนอนเป็นร้อยตัวแล้วมันเกาะกิ่งไม้นอนนะแล้วมันหลับพริมเลนกไม่เคยต้องกินยานอนหลับ แล้วกาะกิ่งไม้ก็ไม่ตกด้วยนะมันสุดยอดจริงๆนะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกิ่งไม้กิ่งนิดเดียวนะั้นมันยืนเกาะแล้วหลับตาพริ้มุมเลยหนึ่งรุ่มมันหลับแล้วตีห้ามันก็ตื่นมันต้องกินยานอนหลับเหมือนคนไหมคนนี่เรียนจนจบด็อกเตอร์นะไม่มีปัญญาจะหลับด้วยตาตัวเองกินยานหนึ่งกําถึงหลับแล้วนอนอยู่บนเตียงแขนจะนุ่มนะหลับไม่ลง ฉะนั้นเราจะลาดกว่านกไหมหลาดกว่าไก่ไหมอดามามีแมวตัวหนึ่งชื่อชาคิราน่ารักเจ้าชาคิรากับแมวอีกตัวหนึ่งชื่อจันฟองสองตัวนี้นเขาไม่ถูกกันเขาแย่งกันประจบออดามาทุกวันน่ะมีอยู่วันหนึ่งจันฟองมาประจบออดามาแมวไม่ยอมกระโดดข่วนหน้าจันฟองเข้าโรงาบานหนึ่งอาทิตย์กูรักกูแค้น เช่ไหมว่าถึงเวลานอนทั้งหมาและแมวคู่เนี้ยหลับสนิทไม่เคยกินยานอนหลับสุขภาพจิตเขาดีมากพอเห็นพระจานทร์นี่กระเดกหางเลยเพราะเขารับสัมผัสได้ว่าเจ้านายเขามีเมตตาถ้าเราจิตใจไม่ดีนะหมาและแมวเนี่ยหางกบแต่ถ้าเราจิตใจดีนะหมาแมวรู้กระเดกหางรับเราสัญญาณที่เราส่งไปจากเขานันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเขารู้ บางครั้งเราต้องถามเองว่าเราเนี่มันสู้หมาสู้แมวก็ไม่ได้นะของเขาเนี่ยกินก็อร่อยหลับก็สนิทตื่นมาก็อารมณ์ดีเนี่ยมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยเออเขาจริงเราฉลาดไหมหลับยังหลับไม่เป็นเลยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทาไมคนไปสํานักพระพุทธองค์เยอะเหลือเกินพระองค์สอนอะไร พระพุทธเจ้าก็จัดตอบว่าเราไม่ได้สอนอะไรมากมายนะเราสอนให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้กินให้เดิมให้ทําให้พูดให้คิดแค่นี้แหละสิ่งที่เราสอนชายคนนั้นก็เลยกลาบทวนว่าเอ๊ะพระองค์ก็ไม่ได้สอนอะไรใหมน่นี่แล้วทําไมคนึจึงศรัทธาพระองค์เหลือเกินพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้สอนอะไรใหม่หรอกเราสอนสิ่งที่พวกเธอทำํำทำกันอยู่นั่นแหละแต่ว่า เมื่อทําตามเราแล้วเธอจะทําสิ่งเหล่านั้นอย่างมีความสุขนี่คือการปฏิบัติธรรมอันนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือสามัญวิสัยนะไม่ใช่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีชีวิตที่ประหลาดพิสดารต้องยืนขาเดียวเอามือชี้ฟ้าต้องกินลมเป็นพักสาหารไม่ใช่นะบางสำนักปฏิบัติธรรมให้ลูกศิษย์นั่งสมาธิ เ, าเอางูเหลือมพันคอพิสูจน์ความกลัว ลูกศิษย์ช็อกเข้าโรงพยาบาลหลายคนนะนั่นมันเพี้ยนนะนั่นไม่ใช่พุทธศา ส, สนานะยังอายุหกสิบเนี่ยงูเหลือมมาพันคอเนี่ตายแล้วเนี่นย อ, อืมอืมงั่นนะนั่นนะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะโยมอย่า ก, กลัว พระพุทธองค์ไม่ได้สอนอะไรที่ต่างไปจากที่เราใช้ชีวิตอยู่เลยสอนให้เราหายใจเหมือนที่เราเคยหายใจมาทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ด้วยความรู้สึกตัวสอนให้โยมยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทําพูดคิดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ให้ทําสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกตัวแค่นี้คือการปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นไม่ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยในการปฏิบัติธรรมใครที่ไม่ปฏิบัติธรรมต่างหากนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเขาจะใช้ชีวิตไม่เป็น กินไม่เป็นกามไม่เป็นหลับไม่เป็นและอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนกษัตริย์เหมือนกันก็คือกลัวภยัยสัญญาจารของการเอาตัวรอดมีอยู่ด้วยกันทุกผู้ทุกคนใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าว่าทุกคนน่ะกลัวตายหมดถ้าไม่เชื่อให้ชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งซึ่งรักกันปานจะเลืนกินมานั่งด้วยกัน และเขากำลังจะแต่งงานมาขอพรจากพระแล้วให้พระทดลองเอาทานไฟหล่นเสียขาสาวดูหล่นเสียขาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวดูว่ามันจะปักให้ใครก่อนผล <c oughs> การทดลองปรากฏว่าเจ้าบ่าวปัดถ่านไฟเสียขาเจ้าสาว <c oughs> เจ้าสาวได้เจอไปสองก้อน <c oughs> เป็น ม, มนุษย์มารักตัวกลัวตายไหม สิ่งนี้ไม่ต้องสอนทุกคนเกิดมาเรารักตัวกลัวตายหมดใช่ไหมมันเป็นสัรชตาตญาตฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเวลาที่เรารักตัวมากๆนะเราจะเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวเราก็ทำทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวดูดีและได้ดีคนเลี้ยงแก่ตัวมากๆถึงกับฆ่าคนอื่นที่มาขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองบางคนรักคนอื่นมากๆแต่พอเลิกกันปุ๊บคนที่เลิกกันไปมีแฟนใหม่ตามไปรังควาน เลิกกันแล้วแต่ยังตัดใจไม่ได้ยังถือว่าแฟนเก่านีงเป็นสมบัติของเองอยู่อันนี้มันไม่ใช่ความรักมันเป็นความโลภเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอจะรักก็จะรักไม่เป็นธรรมะก็สอนให้เราทาสิ่งเหล่านี้แหละนะสอนให้กินสอนให้มีปฏิสัมพนันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์ให้ถูกต้องกินให้ถูกต้องนะมีสัมพันธาภาพให้ถูกต้องหลับนอนให้ถูกต้องแล้วก็ ปกป้องตัวเองให้ถูกต้องกินกามหลับและกลัวภัยมีเสมอกันในคนและสัตว์อะไรทำให้คนและสัตว์ต่างกันธรรมะธรรมะตัวเดียวทำให้คนและสัตว์ต่างกันแล้วธรรมะอะไรคือธรรมละล่ะธรรมะก็คือศิลปะแห่งการดำรงชีวิตศิลปะแห่งการดาเนินชีวิตอย่างน้ยามของธรรมะ ง, ง่ายๆแค่นี้นนะศิลปะแห่งการดาเนินชีวิต ก็ธรรมจะสอนให้เราคิดให้เป็นพูดให้เป็นทําให้เป็นอยู่ให้เป็นทํางานให้เป็นปฏิสัมพันธ์ให้เป็นกระทั่งในที่สุดสอนให้เราตายให้เป็นเนี่ยธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงเป็นศิลปะแห่งการดําเนินชีวิตดังนั้นธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่เรามาเรียนเรื่องศิลปะในการดําเนินชีวิตเช่นคอสภาวนาของเรานี้เป็นคอสภาวนาวันแม่ใช่ไหม โยมจะได้เรียนศิละปะในการเป็นแม่ที่ถูกต้องถ้าลูกมาด้วยลูกก็จะได้เรียนรู้ศิละปะการเป็นลูกที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดสอนแมก้กระทั่งการเข้าห้องน้ําพระพุทธองค์สอนนะมารยาทการเข้าห้องน้ําท่านบอกว่าถ้าเราไปใช้ห้องน้ําสาธารณะไปยืยนอยู่หน้าห้องน้ําอย่าเพิ่งผลักประตูเข้าไปให้กระแอมก่อนหรือให้เคาะก่อนเห็นไหม สอนแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานที่สุดคือมารยาทในการเข้าห้องน้ําจนถึงเรื่องสูงสุดคือในพานดับกิเลสดับทุกดับเวรไหม่แต่เกิดพระพุทธองค์ทรง ส, สอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนส่วนใหญ่น้อยคนนักที่จะเห็นถึงคุณค่าของธรรมะนนพอป่วยนนถึงจะเริ่มถามหาธรรมะพอแก่นนถึงจะเริ่มถามหาธรรมะอกหักถึงจะเริ่มถามหาธรรมะ อกหักหลักลอยคอยงานสังขารทซ่ชอบเข้าหาธรรมะและบางคนแก่ตัวน่ะถึงถึ ง, ถงสแสวงหาธรรมะพขาแก่มากๆสอนอะไรก็ไม่ฟังเพราะมันรู้เยอะเรียนมาหลายสำนักไปฟังพระเทศไปนั่งจับผิดพระพระพูดอะไรบางทีพระอาจารย์สังเกตเรานั่งอยู่บนธรรมะเราพูดเห็นแกนั่งข้างหลังแก้สายหัวเดีอยหละทําให้สมาธิเราแตกส่าท์หมด คนเดียวป่วนทั้งงานบอกให้นั่งสมาธิดูลมหายใจยกมืออะไรโยมดูลมหายใจนี่มันเป็นสมถะมันไม่ใช่วิปัสสนานะท่านทําไมท่านไม่เปลี่ยนเป็นวิปัสสนาเลยหนาเห็นไหมเพราะแก่แล้วเนี่ยฐานข้อมูลมันเยอะไงให้ทําอะไรไม่ทำสักอย่าง มีครั้งหนึ่งอาจาร์มาพไปบรรยายเจอโยมคนหนึ่งอาต์มาบรรยายเสร็จแกเดินประกบเลยขอหิ้หยามพระอาจารย์ครับขอโทษนะครับผมปฏิบัติมาสามสิบปีพูดได้เลยที่พระอาจารย์เทศมาทั้งหมดเลยไม่ถูกต้องเราคิดในใจนี่มันปฏิบัติมาสามสิบปีอารมณ์มันยังขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฉะนั้นปฏิบัติธรรมถ้าทาไม่เป็นแล้วยอมก็ได้แต่มาก เข้าใจคำว่า ม, มากไหมได้แต่รูปแบบได้แต่รูปแบบมีวัยรุ่นคนหนึ่งอกหักมาปฏิบัติธรรม ท, ที่เนี่ยพอมาถึงปุ๊บใส่ชุดขาวมาจากบ้านเลยอนามาก็นั่งรับแขกอยู่ตรงนั้นนะไม่มาหาพอมาถึงปุ๊บใส่ชุดขาวมาแล้วเนี่ยไปเดินเดินวนรอบโบสถ์เลยโยมโบสถ์เก่าอยู่หลังโน่นติดน้ำนนมันเดินตั้งแต่บ่ายโมงถึงบสี่โมงนะ อาดมาก็ปล่อยให้เขาเดินพอห้าโมงอาดมาไปถามลูกทำอะไรเดินจงกรมครับไม่พักเลยเหรอไม่ครับเพื่ออะไรผมจะให้มันบรรลุธรรมก่อนตะวันตกดิน <c oughs> <c oughs> ดูมันทำโอ้โหครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ไม่ถามสักคำ <c oughs> เราดูน้องนี่โงงหมดเลยนะเดินหัก ด, ดิบเลย แกท้าทายตัวงว่าก่อนอาทิตย์ตกเด่นยังไงก็ต้องบรรลุกระมาตบไล่โลกพระอาจารย์บวชมา20ปียัง on the way ไม่บรรลุกพราีแกกั้นมีหมากำลังกินหญ้าอยู่อระมาเลยจูงแกนเขาชี้ให้ดูหมาที่กินหญ้าอยู่ลูกเห็นหมาตัวนั้นไหมหมาเนี่ยนะมันแทบไม่นอนเลยมันยืนกินหญ้าทั้งวันเลยใช่ไหม เคยเห็นม้านอนไหมน้อยครั้งมากนะตั้งแต่ตื่นมามันก็ยืนกินหญ้าทั้งวันเลยล่ะพระจานทร์ก็เลยบอกว่าถ้าลูกเดินจงกรมโดยไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกจะได้ก็คือเป็นชายหนุ่มที่ยืนทนพอๆกับม้าเท่านั้นนะ <c oughs> จะไม่บรรูุอะไรเลยลูกจะเป็นม้าอีกตัวหนึ่งเท่านั้น <c oughs> เห็นไหมปฏิบัติธรรมถ้าไม่เข้าใจเป็นเรื่องศูนญเปล่า นี่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องดีแค่ไหนที่โยมมาที่นี่เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแม่ลูกเราก็จะเน้นเรื่องความเป็นแม่ความเป็นลูกให้ถูกต้องเพราะถ้าทําสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเดี๋ยวลูกไปสร้างครอบครัวนะครอบครัวล่มสลายแม่ถ้าไม่มีธรรมะแม่สอนลูกแม่ทําร้ายลูกนะอันตรายมากการทําร้ายลูกในนามของความรักแม่บางคนบังคับลูก ทำทุกอย่างบังคับลูกเอากาฝันของแม่ใส่ใส่ในตัวลูกจนลูกเครียดเป็นโรกจึมเศร้าทุกแทบล้มระดาตายไม่เห็นลูกเป็นอะไรของตัวเองแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขแต่ที่ลูกทุกทุกวันนี้ก็เพราะว่าแม่อยากให้มีความสุขไงคยมีเด็กคนหนึ่งนีออกจากบ้านแล้วมาหาแต่มาภาพมาเราให้ฟัง พระอาจารย์ถามอันนี้ออกมาทําไมลูกพระอาจารย์ครับผมสําลักความสุขทําไมลูกแม่จัดหนักครับทําลุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขเอาคำฝันของแม่ไปใส่ให้ลูกพระอาจารย์ให้ลูกนอนวัดห้าวันจนเย็นลงให้ลูกโทรไปหาแม่แม่ตามมหาธมะบังเอิญมากแม่มหาธรรมาแม่เอาทู่เรียนมาถวาย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตอมาภาพไม่ชอบทั่วเรือนที่สุดในโลกเหม็นกลิ่นมันเดยมก็มาวางแล้วก็นั่งเฝ้าพระอาจารย์เจ้าคะเนี่ยมันอร่อยมากอยากให้พระอาจารย์ได้ฉันลูกก็เหมือนกันนะ่ะเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่พยมให้เขากินเดี๋ยวนี้เขาชอบใช่ไหมลูกมา อดมาก็คิดในใจเอาแล้วไม่ล่ะตัวเองชอบแต่ไม่เคยถามคนอื่นว่าชอบไหมบังคับให้พระฉันทอเรียนถวายแล้วไม่กลับด้วยนะถวายแล้วก็ไม่กลับนั่งเฝ้าพระก็ผือดพระ อ, ระอมเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องฉันขอฉันไปคำหนึ่งยมตบมือเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเหมือนยมว่าไหมมันอร่อย น, นี่ไม่ถามพระสักคาเลย บางครั้งเราก็ทำร้ายคนที่เรารักด้วยความปรารถนาดีอยากเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรามอบให้กับคนที่เรารักแต่เราไม่ได้ถามพอในานามของความรักพ่อแม่ได้ทำร้ายลูกและทำให้ลูกเจ็บปวดวันหนึ่งลูกที่ถูกเลี้ยงอย่างเผ็ดๆไปสร้างครอบครัวเจ็บปวดทั้งครอบครัวเห็นหรือยังฉะนั้นการการเป็นพ่อการเป็นแม่การเป็นลูก ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นหลักสูตรนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องเหล่านี้นะเรียนเรื่องศิละปะในการสร้างครอบครวัวให้มีความสุขท่านบุตรีเป็นพิธีกรที่ประสบความสาเร็จแต่เมื่อท่านมาบวชท่านมาเริ่มต้นใหม่หมดเหมือนเด็กอนุบาลเลยท่านวางทุกสิ่งทุกอย่างท่านเรียนใหม่หมดนี่เป็นตัวอย่างที่ดี ฉะนั้นโยมทั้งหลายก็เหมือนกันมาภาวนาที่นี่เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะบอกโยม่าให้ถือคติสามประการนะแล้วยอมจะปฏิบัติธรรมได้ยอดเยี่ยมสามข้อเท่านั้นนะเพราะว่ามีคุณแม่แ ม, แม่แม่อายุแปดสิบเดเนาะเด็กสุดอายุเท่าไหร่ในห้องนี้เท่าไหร่ครับเก้าพระจะเทศยังไงให้เด็กเก้าขวบและผู้ใหญ่แปดสิบดขวบพบกันให้ได้ <laughs> นี่เป็นความท้าทายของพระ เห็นไหมแต่ธรรมพเชื่อว่าเมื่อเราเรียนไปเรียนไปทั้งเด็ก9ขวบ11ขวบคุณยาย81ขวบจะเข้าใจตรงกันทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะให้กระถาไว้สามข้อเป็นการประถมนิเทศหนึ่งทำตัวง่ายๆสองทำใจร่มๆสามองโลกกลมๆว่ามีแธรรมะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เมสเ g จคำสำคัญ ที่โยมต้องทำความเข้าใจหนึ่งทำตัวง่ายๆให้โยมลืมนะว่าโยมเป็นใครยิ่งใหญ่จากไหนมานะ่ะโยมวางให้หมดเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านโยมโยมพักไว้ชั่วคราวหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สี่แปดสี่เก้าสี่สิบเอ็ดโยมก็วางไว้ชั่วคราวเป็นครูบาอาจารย์โยมก็วางไว้ชั่วคราว วางหัวขนถ้ายมไม่วางหัวขนยมปฏิบัติทําไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยนะปุรเรายิ่งใหญ่มากมาที่นี่เนี่ยเราต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแลเรามากๆเพราะไม่มีใครดูแลเพราะไม่มีใครรับรองเราโกรธโกรธมากนังสมาธิไม่รู้เรื่องเลยเพราะโกรธโกรธที่ไม่มีใครดูแลเราดูแลก็ได้นะ แต่ถ้าเราดูแลให้ญาติโยมสบายทุกอย่างโยมจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมหลายแห่งนี้ดูแลอย่างดีห้องพักติดแอร์เย็นช่าโยมมาภาวนาสามวันขอต่อถึงห้าวันไม่กลับเพราะอะไรสบายกว่าที่บ้านไม่ได้ช่วยอะไรนะมาที่นี่เราให้นอนเรือนฟาาเห็นไหมเรือนฟาามุงสายบัวบางคนก็นอนเต็นท์ห้องไหนรวม เพื่อให้โยมได้เรียนรู้บ้างได้ลําบากบ้างใช่ไหมลูกถ้าสลายทุกอย่างนี้โยมโง่กลับไปเลยนะโง่กลับไปนี่มันเสียชื่อไรเชิญตะวานนะมาที่นี่โยมต้องฉลาดรุ่นที่แล้วมีโยมคนหนึ่งมายืนรอเข้าห้องน้ําเราตื่นตีห้าทําวัดตีห้าครึ่งคนโยมคนนั้นตื่นตีสามครึ่งเพราะต้องการคิวเข้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นพอได้เข้าห้องน้ําก่อนเพื่อนเนะ ตีสามครึ่งตื่นแล้วพอถึงตื่นปั๊บแถวนั้นทั้งแถวห้าสิบคนตื่นหมด ก, ก, ก, กุกกักกะกะแล้วมากันมาอ่ะนะเพอาะถึงเวลาทําวัดมันนั่งหลับมีคนหนึ่งนะมันหลับอธมามานํารําวัดหลับแล้วอ้วนมากไงนะเอาคางลงพักที่ราวนมเนะี <c> ่ย <oughs> หลับจนกลืนออกมาเลยอธมาก็ไม่ว่าพวันสุดท้ายโยมมาบอกว่านี่ <c oughs> อยู่ที่บ้านไม่เคยหลับเลยนะเมื่อที่นี่นะเดินตจงกลมยมยังหลับเลยทำวัดยมก็หลับ อ, อยากให้ที่บ้านมันเป็นอย่างนี้เห็น ไ, ไหมเนี่ยอันนี้สรงของธรรมะนะแค่นั้นอาตมาก็ว่าดีแล้วนะนั่นน่ะนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรมาที่นี่แล้วหลับแค่นี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากแล้วอย่างน้อยๆยมจะได้พักไงใช่ไหมอยู่ที่บ้านนองกินกานอนหลับเป็นกรรมๆมาที่นี่หลับ ให้นั่งก็หลับให้สวดมนต์ก็หลับให้เดินจงกรมก็หลับพระบรรไายก็หลับธรรมาถือว่าธรรมาประสบความสำเร็จเลยเพราะอยู่ที่บ้านคนคนนี้หลับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยธรรมมาเนอะถ้าเราตามใจยอมดูแลโยมอย่างดีทุกอย่างเลยยมจะรู้สึกว่าโอ้ได้รับการดูแลอย่างดีงว่วงหน้ามาอีกมาอีกไม่ใช่เพราะอยากปฏิบัติธรรมแต่อยากให้ใครสักคนหนึ่งมาพัฒนา อ, อัตตาของโยมไง อยู่ที่บ้านสามีเตะๆถีบๆนาที่นี้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่งกับคนหญิงเราจะไม่ทําอย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านสอนฝรั่งท่านบอกว่ามาอยู่กับอาตมาอาตมาไม่ตามใจนะมาอยู่กับอาตมาเนี่ยตายเป็นตายนะปรากฏว่าฝรั่งชอบมากนะไม่มีใครตายทุกคนเห็นไหมฉะนั้นที่นี่นี่เราไม่โหดเหมือนวัดหนองปลาพงนะ น้องประพงศ์นั่นเขาฉันมือเดียวนะก่อนที่แตมมาภาพจะมาทําสําลักเนี่ยแตมมาไปทดลองมาบอกฉันมื้อเดียวทํามาหมดแล้วแทบล้มระดารายไปเดินทุ่ดงกลางป่าก็ไปมาหมดแล้วไปเป็นเดือนเดือนเลยแหละเอาชีวิตลงวังไปเดิมพั น, น่กว่าจะได้ธรรมะมามสอนฝึกมาหมดแล้วพอเราฉันมือเดียวนะฉันมาเนี่ยฉันตั้งสี่โงเช้า วันแรกที่เราฝึกแบบนี้นะโอ้โหพอโยมมาตักบาตนะโยมเอาส้มตําแล้วก็เอาผักบุ้งมาใสยไสยกระลำมังมาแหละในใจอาตมาคิดแบบเดียวเดอะฉันจะหักผักบุ้งทั้งหมดเข้าปากให้หมดแหละมันอยากกินทั้งหมดเลยนะโยมนะเชื่อไหมกับข้าที่วางข้างหน้าทั้งหมดในะใจมันคิดแบบเดียวเนะฉันจะฉันจะต้อนเข้าปากให้หมดแหละอืมถึงเวลากินจริงๆกินได้นิดเดียว แต่ความอยากมันพาเราคิดอย่างนั้นอ่ะอุ้มบาตไปนะเอาทุกอย่างใส่บาตจนเต็มเอ็ดเพราะเรารู้ว่าเราฉันมือเดียวเราต้องจัดหนักพอฉันจริงๆฉันแล้วนิดเดียวกว่าจะหาความพอดีได้ต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์คือ <c oughs> ต้องทดลองแต่ทีนี้เราก็ปรับให้เป็นสายกลางแล้วยมจะไม่ลำบากมากนักนะสบายๆ ย, ยุงที่นี่อาจจะกัดบ้างกัดเพราะให้รู้ว่าที่นี่เป็นวัดป่านะ แล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะแจกตะไคร่หอมนะเอาไว้พ่นกันยุงจะไม่ทําให้ยุงตายนะแต่จะทําให้ยุงนะ่ะไม่กล้ามารบกวนเรานะไม่ไม่มีการตายเกิดขึ้นที่นี่นะยุงไม่ตายคนไม่ตายทางสายกล่างฉะนั้นพวกเราต้องทําใจให้ร่มร่มทําตนเป็นบุคคลไม่สําคัญของโลกแล้ะยมจะปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุข แต่ถ้าโยมคิดว่าโยมยิ่งใหญ่มากมาที่นี่ท่านวอต้องดูแลอย่างดีพอท่านวอไม่ดูแลโกรดนะไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมโยมต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์ที่ไม่มีหัวโขนเลยนะ่ะนะลองทำตนเป็นบุคคลไม่สาคัญของโลกแล้วยอมจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายมากนะชีวิต ง, ง่ายมากนะถ้ามันยากสแสดงว่ามันเผ็ด ชีวิตมันง่ายเราไปอินเดียแล้วก็ห้องน้ํากลางทุ่งชีวิตง่ายมากไปครั้งแรกอาตมาไม่อยอมเข้าห้องน้ำกลางทุ่งเพราะหัวขนของอาตามาคือประเด็นทำเก้าประโยชไม่ได้ให้เราเข้าห้องน้ํากลางทุ่งไม่ได้เราเรายิ่งใหญ่มากนาเจอบีบคั้นอยู่สามวันในที่สุดทําได้ <c oughs> เหลานี้ประธานวุฒิไปทําได้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราวางหัวขนเราจะ มีความสุขมากเราจะนั่งตรงไหนก็ได้จะนอนตรงไหนก็ได้ในเต็นท์ก็ได้บนฟากก็ได้จะฉันจานเดียวตักทุกสิ่งทุกอย่างใส่เลยนะนแล้วก็นั่งนั่งนั่งกินยืนกินนะกินเสร็จแล้วไปล้างเองก็ยังมีความสุขห้องน้ําสกรปรกเราลงมือล้างเองก็ได้เราจะไม่บน่นแต่ถ้าโยมคิดว่าโยมยิ่งใหญ่โยมจะมองหาใครสักคนมาดูแลโยมถ้าโยมตั้งท่าอย่างนั้นโยมจะไม่มีความสุขกับการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเราต้องได้ฝึกนะถ้าไม่ได้ฝึกนั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเนี่ยฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะงหมายความว่าวางหัวขอนให้หมดแล้วแล้วทําใจให้สบายสบายชีวิตมันง่ายมากเลยอย่างนี้นะข้อที่หนึ่งนะวางหัวขอนนะทำตนเป็นบุคคลไม่สําคัญของโลกนะทําตัวนี่คือทําตัวง่ายๆนะนะสองทำใจร่วมร่มก็หมายความว่าอยา่าโกรธสามวันเนี้พยายามอยา่าโกรธ มันมีเห็นให้โกรธก็บอกเองว่าฉันไม่มีเวลาให้แก่ฉันปฏิบัติธรรมอยู่ความโกรธมันผุดผุดขึ้นมาก็พูดกับความโกรธว่าสามวันนี้ฉันไม่มีเวลาให้แก่หรอกฉันยุ่งมากฉันกําลังปฏิบัติธรรมมันกุกลุ้นกุขึ้นมาบางทีนั่งภาวนาอยู่ยุ่งมันกัดท่านวุฒิเคยเล่าให้ฟังวันก่อนตื่นตีห้านั่งสมาธิกับพระอาจารย์ะปกติยุ่งกัดท่านไม่เคยรู้สึกตัว คราวนี้ยุงกัดเนี่ยท่านบอกว่าเห็นภาพเป็นโซโลโบชันเลยมันจี้ลงไปจี้ลงไปท่านเห็นทั้งหมดถามว่าทำไมจึงเห็นก็เพราะว่ามีสติเพิ่มขึ้นไงเห็นหมดเลยว่ายุงเนะี่ยทิ่มปากลงไปลึกแค่ไหนแล้วดูดเลือดขึ้นมาอย่างไรเรารู้หมดเพราะเรามีสตินะเข็มตกเล่มหนึ่งเราก็ได้ยินพอเราขาดสติรถชนกันตูมเราก็ไม่ได้ยินฉะนั้นสตินะ่ะสาคัญที่สุดเมื่อเรามีสติแล้วเนะี่ย เราจะโกรธยากมากคนที่โกรธโกรธโกรธโคลนโครมเนี่ยทุกอยู่โครนโครมเนี่ยเป็นเพราะว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้มันเครียดขึ้นมาแล้วไม่รู้มันคิดขึ้นมาแล้วไม่รู้พอมันไม่รู้มันโกรธขึ้นมาก็รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับความโกรธมันค mmm. so ิดขึ mo, ้นมาก็รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดมันทุกขึ้นมาก็รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับความทุกข์แต่พอเรามีสติปุ๊บพอความคิดโผล่ขึ้นมาเราเห็นก่อนเราเห็นความคิดสุดยอดนะเห็นความคิด สุดยอดของการปฏิบัติธรรมคือมันคิดขึ้นมาแล้วเราเห็นความคิดเลยพอเราเห็นความคิดนะถ้าคิดไม่ดีเราก็เลิกคิดถ้าคิดดีเราก็แค่รู้ว่ากำลังคิดยมจะไม่ทันได้เป็นทุกข์นะเจ้าความคิดเองมันพาเราทุกข์มันปรุงแต่งให้เราทุกข์มันปรุงแต่งให้เราสุขคนที่ไม่รู้ความคิดคิดผิดจนกระทั่งว่า่าตัวตายก็เมนะอันั้นอันตรายมากๆตัวความคิดนี่แหละ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นความคิดเดี๋ยวคืนนี้จะพาปฏิบัติดูดความคิดฉะนั้นหนึ่งทำตัวง่ายๆพอเราทำตัวง่ายๆเราจะทำตามครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดสองทำใจร่มๆอย่ากโกรธอย่างงเงียบอย่าฉุนเฉียวพยายามประคับประคองตัวเองว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะโกรธเพื่อจะ ง, ง, งเุเงียหรือเพื่อที่จะจับผิดใครบางคนมาปฏิบัติธรรมล้วชอบจับผิดคนอื่นมีโยมหลายคนมาที่นี่แล้วเวลากราบชอบมองคนอื่น ตัวเองกราบสวยมากนะคิดในใจดูดูาง น, นั้นมันกราบไม่เป็นนะนะดูดูคนอื่นนะและ้วกิเลสฟูไหมกิเลสขี่ค อ, อยังไม่ลดด้วยนะเฝ้าจับตาดูคนอื่นแล้วภูมิใจว่าฉันเก่งของฉันนี่นี่กิเลสอย่างนี้ภาษาภาราเรียกว่ามานะนะะความยึดติดถือมันในตัวกูของกูนะมันเกิดขึ้นยังไม่รู้สึกตัวเห่นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรเมื่อจิตเราละเมียดเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น อันเนี้ยนะทำใจร่มร่มพยาบอกเด็งว่าเออสามวันนี้นะลูกจะไม่หงดเงียบลูกจะไม่ฉุนเฉียวไม่ว่าอะไรจะมาท้าทายลูกก็ตามไม่ว่ายุงจะกัดหรือขาจะปวดหรืออาจจะเหวีหรื อ, อ จ, จะนอนไม่หลับหรือเพื่อนอาจจะคุยเสียงดังหรือว่าเข้าห้องน้ําคิวยาวนะแต่รุ่นนี้สบายขึ้นเยอะเพราะว่ามีห้องน้ําใหม่ตรงนี้เกิดขึ้นเหนะ็นไหมสวยงามมากในะห้องน้ําตัวนี้ทรงชิงรางวัลระดับโลกได้เลยห้องน้ําเก่าอยู่ทางโน้นใกล้ๆเรือนนอนเรามีห้องน้าใหม่อยู่ตรงนี้นะลูกนะ แนวมาตรฐานระดับโลกเลยที่เดียวเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะดีขึ้นเยอะที่เราเติมห้องน้ำใหม่ให้มากกว่า40ห้องนะยมลองใช้กันด้ยังถ่ายรูปกลับไปบ้านนะไปดูดีขึ้นเยอะแล้วนะอำนวยความสะดวกได้เยอะละต่อไปมองโลกก ล, กลมๆว่ามีแต่ธร ร, รมะอืมมองโลกก ล, กลมว่ามีแต่ธรรมะหมายความว่าระยระหว่างปฏิบัติธรรมนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมองให้เห็นว่าเป็นธรรมะให้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างมองให้เห็นว่าเป็นธรรมะให้หมดฉันนั่งสมาธิแล้วจิตมันฟุง้งหลายคนพอจิตฟุง้งโกรธตัวเองโกรธตัวเองที่จิตมันไม่นิ่งบางคนนั่งไปนั่งไปแล้วไปถามเพื่อนเธอเป็นไงบ้างพอเพื่อนบอกว่าโอ้โหพี่นะดีดีพอได้ฟังเพื่อนพูดอย่างเงี้ยตัวเองไม่ดีตัวเองโกรธตัวเองโกรธอะไร โกรธทำไมเราก็มองว่าอ๋อเรายังฝึกมาไม่พอเนี่ยเราเพิ่งมาใหม่เนี่ยมันถึงได้ฟุ้งไงให้กําลังใจตัวเองว่าเนี่ยแค่พาตัวเองมานี่ก็ดีแค่ไหนแล้วนะใช่ไหมบางคนบางคนคิดลบกับเดงตลอดเป็นคนที่คิดลบพูดลบทําลบคนที่คิดลบพูดลบทําลบอยู่ที่ไหนใจจะไม่มีความสุขคิดบวกพูดบวกทําบวกทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นครูทั้งหมดเลยเรานั่งสมาธิเรามันปวด โอ้โปวดกลับตายคราวที่แล้วมีคนนึงคลานมาบอกอาตมาพระอาจารย์ขอเถอะอย่านั่งสมาธินานเลยโยมปวดมากอาตมาก็ถามไปแล้วว่าแล้วยโยมนั่งอยู่คนเดียวหรือในห้องเนี้ยนั่งกันอยู่สองร้อยนะเขาปวดทุกคนนะแต่โยมปวดมากที่สุดแหละโยมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> นี่ทําไมเขาถึงทุกข์มากกว่าคนอืดินนะนี่ไงเขาคิดให้ตัวเองทุกข์ไง <c oughs> นี่ <c oughs> พวกคิดลบนะ คิดให้ตัวเองทุกมียมคนหนึ่งไปเมืองนอกไปทํางานเมืองนอกไม่เจอกันหลายปีมาหาธรรมาพอเจอปุ๊บอาจมาก็ทักโอ้โหยมนี่แหละแม่เลี้ยงใหญ่นะเนี่ยโอ้โหเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอะพอเราทักแค่นี้ยพูดสวนมาเลยพระอาจารย์ไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงกับเขาหรอกชาตินี้ไม่ได้เป็นหลกักเศรษฐีมีแต่นี่นะเราสะเตือนใจ เล่าสาวยให้ดีๆนะไม่ลับนะเห็นไหมคนที่คิดลบพูดลบทําลบนะชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยประสาทไม่ราบรื่นเพราะเขาไม่เคยคิดไม่เคยจินตนาการถึงตัวเองตอนที่สําเร็จและมีความสุขเขาคิดแต่เรื่องลบๆให้ตัวเองไงแต่คนที่เขามองมองมองบวกมองสร้างสรรค์นะต่อให้มีความทุกข์กองอยู่ข้างหน้าความทุกข์ก็ทําร้ายเขาไม่ได้มียอมคนหนึ่งแก่มากมายืนเอามือเท้าแขน ฟังอาตมาเทศปีที่แล้วเทศก็ไม่จบสักทีคุณยายเลยตะโกนขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะจบยายมายืนอยู่ตรงนี้นานแล้วปวดขานะพระอาจารย์ก็บอกยายโชคดีโชคดียังไงปวดขานีย่ยายรู้ปะมีแต่คนที่มีขามันถึงปวดขาใช่ไหมคนไม่มีขาปวดขาไหม พอพูดจันในยัยยิ้มเลยนะปวดขามองให้เป็นความทุกข์ก็ได้นะมองให้เป็นความสุขก็ได้นะใช่ไหมนี่แหละวิธีคิดนะครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งมาลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปเผยแผ่ยังดินแดนธุรกันดารดินแดนนั้นหดเห็นน้ามินชาติมากนะพุทธเจ้าถามว่าเออนี่ถ้าเธอไปตรงโน้นมนุษย์มันเถื่อนมากนะถ้าเขาดา่าเธอเธอจะว่ายังไงพระรูปนั้นก็บอกว่า ด่าก็ยังดีกว่าตีะถ้าเขาตีเธอเธอจะว่ายัางไงตีก็ยังดีกว่ารุมทำร้ายถ้าเขารุมทำร้ายเธอเธอจะว่ายัางไง ร, รุมทำร้ายก็ยังดีกว่าใช้ใช้มีดมาไล่ฟันหม่อมฉันถ้าเขาเอามีดมาไล่ฟันเธอเธอจะว่ า, างไงอู้หเอามีดมาไล่ฟันก็ดีสิคนอื่นจะฆ่าตัวดตายยังต้องไปสแสวงหามีดหาพระหม่อมฉันไม่ต้องสแสวงหามันมาเอง <laughs> พระเจ้าบอกว่าโอ้สุดยอดเธอไปได้เห็นไหมเนี่ยคือการมองโลกในเชิงบวกอะ่ะความทุกข์ทำอะไรท่านไม่ได้เลยพระรูปนี้และท่านเป็นพระอระหันต์ด้วยพรธเจ้าบอกว่าถ้าเธอคิดอย่างนี้เธออยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรให้เธอต้องกลัวส่วนคนที่คิดลบนะนอนอยู่บนฟูกนุ่มๆห้องติดแอร์เย็นช่าเงินทองกองเป็นภูเขาลาวกาก็ยังคิดให้ถึงทุกข์ได้ เช่นคิดหาแต่เรื่องที่ทาให้ตังทุกข์มีลูกกับเขาคนหนึ่งก็ไม่ได้ดังใจนะเห็นไหมมันจะคิดให้ตังทุกข์จนได้เนอะเราถ้าอุปสรรงมันไปเรียนเรียนจบทั้งที่มันจะอยู่กับเรามันก็ไม่ช่วยบริษัทพ่อแม่มันมันออกไปตั้งอีกบริษัทหนึ่งอู้ไม่ไหวหชีวิตนะเห็นไหม มองหาแต่เรื่องลบๆทั้งๆที่ตัวเองก็พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่างยังคิดให้ทุกจนได้มีโยมคนหนึ่งมาหาธรรมมาแล้วเอาส้มตำมาถวายคนนี้มองลบตลอดพอประเคนเสร็จปุ๊บเธอก็พูดพระอาจารย์เจ้าคะวันนี้ไม่ได้เจ้าที่อร่อยที่สุดเลยได้เจ้านี้มาแม่แต่ถ้าได้เจ้านั้นนะพระอาจารยนะ์นะธรรมมาคิดไหนใจว่าถ้าไม่อร่อยแล้วเอามาทมาอะเห็นไหม นี่คือคนที่มองลบนะสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ไกลออกไปเสมอและดังนั้นเขาจึงไม่เคยมีความสุขฉะนั้นเราต้องมองอะไรในเชิงบวกถ้าเราต้องตื่นเช้าเราก็บอกตัเองว่าโอโหมาตื่นเช้าอยู่ที่ไร่เชิญตะวันนะปีหนึ่งสามรหกสิบห้าวันฉันได้ตื่นเช้าสักสามวันฉันจะลองดูซิว่ามันจะทําได้ไหมเนะี่ยถ้าคิดอย่างนี้กําลังใจมาเลยนะกาลังใจมาทันทีแต่ถ้าเราคิดลบว่า โอ้โพระอาจารย์จะให้ตื่นเช้าไปทำไมพาแม่มาก็ขอ ป, ปฏิบัติแบบชิวๆหน่อยก็ไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บโยมจะไม่มีความสุขกับการปฏิบัติทันเทเห็นไหมถ้านั่งสมาธินั่งแล้วมันปวดอะโยมบอกเองว่าเออปวดก็ดีแล้วสมน้ำหน้ามันจะได้ฝึกซะมึ่งพอข้ามความปวดได้ทีนี้โยมจะยิม้มเลยโยมจะร้องไห้ทั้งน้าตาว่าโยมทาได้ ในทากับกันถ้าโยมมองให้มันเป็นทุกข์เนะปวดขามากโยมคิดขึ้นมาว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเรานะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บโยมก็เอาลวละคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทําร้ายโยมนี่แหละชีวิตเราเนี่ยเราสามารถพลิกให้ชีวิตมันสุข ก, ก็ได้ให้มันทุกข์ก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองวิธีที่เราคิดฉะนั้นสูตรของการปฏิบัติเบื้องต้นจะให้ไว้สามคำนะหนึ่งทาตัวง่ายๆทําทตนเป็นบุคคลไม่สําคัญของโลก คุณยิ่งใหญ่มาจากไหนคุณลืมซะมาที่นี่บอกเต็งว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จะพาทําอะไรฉันจะทำํำมุดนะท่านพูดอะไรฉันจะรับเอาไว้มดุดเลยท่านสอนให้กราบฉันก็จะกราบท่านสอนให้ไหวฉันก็จะไหวท่านสอนให้นั่งฉันก็จะนั่งท่านสอนให้หายใจฉันก็จะหายใจนี่ทําตัวง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้โยมปฏิบัติเก้าวหน้ามากแหละแต่ถ้าโยมมานั่งแล้วก็ม า, มานั่งทบทวน คราที่นี่สอนไม่ถูกถ้าทำอย่างนี้นะแนะนำให้ไปตั้งสำนักเองเ <c oughs> <c oughs> นืออันตรายมากนะคนที่คนที่ปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นไปที่ไหนก็แบกหัวขนคนที่ฉลาดจริงๆนะจะแท้งโง่เป็นโบราณท่านจริงเตือนไงวาจำเป็นไม่ใบทำเหมือนใบไม่บอดทำเหมือนบอดไม่บ้าทำเหมือนบ้านั่นแหะคือคนฉลาด กวีคนหนึ่งจึงเตือนว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ายากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์สดีผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปรดาดเปรืองตนโง่สิบหนดีกว่าแบ่งเก่งเดียวเดียวฉะนั้นมาปฏิบัติในแส้นโง่เลยนะแส้นโง่ให้เป็นโยมจะสามารถเดินรู้ได้เยอะมากแต่ถ้าใครฉลาดตลอดโยมจะไม่ได้อะไรมันแก้วแก้วเปล่าถ้าเราวางไว้กลางแจ้งฝนตกแป๊บเดียวนั่นก็เต็ม แ, แก้วเปล่าใปเดียวกันเอาวางไว้กลางแจ้งฝนตกทั้งคืนแต่ถ้าเราคว่ำ ม, มันมันก็ไม่เต็มปัญหาไม่ใช่ฝนไม่ตกฝนตกตลอดคืนแต่มันคว่ําต้องหงายแก้วของเราอย่าไปคว่ำแก้วนะและ้วแล้วทําแก้วของเราให้เปล่าในข้อที่หนึ่งนะทําตัวง่ายๆลืมความยิ่งใหญ่ของตัวเองชั่วคราวแล้วทําใจร่มๆจะมีอุปสรรคหนักหนาอะไรก็ตามให้เตือนตัวเองว่าเราจะไม่โกรธเลย นี่คือความท้าทายของเราเราจะไม่งงงเง็ดเราจะไม่โกรธเราจะไม่บ่นมันวุบขึ้นมาก็บอกเองว่าเราไม่มีเวลามากพอสำหรับความโกรธไม่มีเวลามากพอสำหรับความงดเง็ดไม่มีเวลามากพอสำหรับความง่วงไม่มีเวลามากพอสำหรับการจู้จี้จุกจิกมาที่นี่เราจะเอาที่ตนเพื่อปฏิบัติธรรมให้คิดอย่างนี้นกกะจากนั้นก็มองลกกลมๆว่ามีแต่ธรรมะเกิดปัญหาขึ้นมาตลอดการปฏิบัติธรรม มองให้มันสอนจิตสอนใจเราให้ได้ทั้งหมดเลยเช่นมันง่วงมากๆก็บอกแด้งว่าดีแล้วที่มันง่วงแสดงว่าฉันยังเป็นคนอยู่นะคนตายไม่ได้ง่วงหรอกโย้เบ้ย <c oughs> ใช่ไหมคนตายนีนไม่ง่วงนะอือฉะนั้นยังง่วงอยู่แสดงว่าชีวิตมันยังคงอยู่ล่ะให้คิดอย่างนี้และอะไรจะทําร้ายเราได้อะทีเนี้ยท่านพุทธทาสนี้เป็นยอดพระเลยวันหนึ่งโยมาแต่งโมจืดมากไปถวายท่าน โยมก็ถามเป็นไงเจ้าแค่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกอาตมาฉันแตงโมหวานมาเยอะแล้ววันนี้ได้ฉันแตงโมจืดก็ดีไปยัางเห็นไหมโกรธไหมไม่โกรธเลย น, นี่ให้คิดอย่างนี้มองทุกอย่างว่าเป็นธรรมะหมดเลยนี่คือชีวิตถ้าโยมมองอย่างนี้อะไรมันจะเล่นงานโยมได้ห่ะคราวที่แล้วอาตมาภาพเดินทางไปเทศต่างประเทศกลับมาแล้วเครื่องบินมันตกหลุมอากาศ ประมาณสักตีสามมองไปข้างๆหลับกันหมดอาตามานั่งอยู่คนเดียวอาตามาคิดในใจวันนี้ฉันจะมาตายกลางทะเลทรายหรือนี่หันไปมองฝั่งใกล้ๆเราหลับหมดเราลุกสวดมนต์มันตก้กหลุมอากาศ น, นานกว่าสิบห้านาทีนะโยมนะมันเหมือนเล่นโลจริงช้าเลยวุ๊บวุ้บวุ๊บปุ้บวุ้บวุ้บสุดท้ายอาตมาเลยคิดว่าเออถ้ามันจะตายก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆก็ตาย กลางทะเลทรายแล้วก็ตายบนเครื่องเป็นเพื่อนๆ เ, เราในลำนี้ก็ไม่น่าจะต่ํากว่าห้าร้อยคนนะเครื่องมันใหญ่มากนะอาตมาคิดอย่างเงี้ยย้อนไปถึงอดีตว่าเออเราเนะี่เป็นโรกชาวนาะมาจากบ้านนอกอคอกนาะนนบได้มาเทศถึงเมืองนอกจะตายทั้งทีก็มาตายสูงมากตายเมืองนอกเลย <c oughs> แล้วจิตมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะอาตมานั่งดูจิตของเองว่ามันเป็นยังไง พอสวดมนต์อยู่คนเดียวหันไปมองฝั่งหลังมันหลับหลับหมดเลยแต่ามาคิดในใจว่าพวกนั้นนะถ้าเครื่องตกนะมันไม่รู้สึกตัวหรอกว่ามันตายไปแล้วใช่ไหมเพราะมันหลับอยู่ไงแต่เราเนี่ยเรารู้สึกตัวตลอดเลยว่าเรากําลังจะตายแล้วตื่นอยู่คนเดียวเห็นไหมในนาทีเจียนอยู่เจียนไปน่ะเรายังคิดให้เป็นบวกกับเราได้ปรากฏว่าพอคิดไปคิดไปเกิดปีติเกิดธรรมะปีติขึ้นมาวะเอ๊ะ หน้าที่อย่างนี้เราก็ยังมองให้เป็นการปฏิบัติธรรมเลยจูจูจิตมันก็ดีใจขึ้นมาว่าเราจิตมันสามารถสอนจิตได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยครั้งหนึ่งหลวงพ่อจาท่านไปอังกฤษเป็นครั้งแรกเลยเครื่องบินตกลมอากาศท่านเขียนไว้ในไดอารี่ในบันทึกว่าอาตมามามาต่างประเทศครั้งแรกตั้งใจจะเอาธรรมะมาให้ชาวตะวันตกอาตมาจะโชคดีได้รับเกียรติให้ตาตั้งแต่มาเมืองนอกทีเดียวหรือนี่หลวงพ่อจารย์รุ่น ท่านเขียนไดอารี่ไว้นะโยมนะนี่คือมองบวกไนงะเห็นไหมดังนั้นก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอาเถอนะเห็นไหมกลัวที่ไหนแต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเครื่องตกหรืออาการอย่างนั้นนายโยมเฮ้ยปี๊ดไปกระตูพอตาเนี่ยไม่ไปสุขเตินะเพราะจิตไม่ไดีไปทุกขเติกันหมดเห็นไหมเพราะนั้นในนาทีที่วิกฤตที่สุดแต่ถ้าระวังจิตวางใจเป็นเราก็ยังได้กําไรอยู่ เนี่ยถ้ามองเป็นนะยมเห็นธรรมในทุกๆเรื่องฉะนั้นให้ไว้สามข้อนะก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติจริงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสาระหรือเคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมให้ราบรื่นหนึ่งทำตัวง่ายๆนะอย่าแบกหัวโขนอย่าแบกตัวกูข้องกูสองทำใจร่มๆพยายามดูแลอารมณ์ของเราให้ปกติ นะอย่ากโกรธอย่า ง, งงเย็ดอย่าชุนเชียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ประครับประคองสภาวะอารมณ์ของตนไว้ให้ตลอดรอดฟังเหมือนดังหนึ่งคนประคองแก้วน้ําที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยน้ํามันแล้วไม่ให้มันหกนะแล้วสามก็มองโลกกลมๆว่ามีแต่ธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาพลิกเป็นสติปัญญาให้ได้เนี่ยสามคำเลยนะเป็นหลักถ้ายมเข้าจิตเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือพื้นฐานที่ดีมากนะ มีพื้นฐานมีความเข้าใจที่ดีแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียกว่าปรับปรับทัศนคติเรียบร้อยแล้วนะละลายพฤติกรรมละถ้าวางจิตวางใจอย่างนี้ทีนี้ยมกลับไปยมนอนเต็นนอนเต็นได้สบายเลยมดขึ้นยมก็ถอยออกมาแล้วนั่งดูมดนะมันอยากขึ้นเต็นให้มันขึ้นนะกลางมุง้งยุงมันอยากเข้าเปิดให้มันเข้า <laughs> มันอยากเข้านับใช่ไหมเชิญเลยเชิญเข้าไป เนี่ยเราจะไม่โกรธเพราะเรามีธรรมะแล้วเนี่ใช่ไหมปีที่ปีที่แล้วเนี่ยเมยมคณะหนึ่งมาที่นี่แล้วเขาเดินกลับเดินกลับห้องปรากฏเห็นมดดำมดดำขนของนนออนหนีฝนเขหยุดดูทั้งคณะเลยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเขาไม่เคยให้เวลากับใครมาก่อนเพราสติมันมาปุ๊บนะ่ยเห็นมดขนของเขาเด้ง น, นั่งดูเลยอ่ะเขาบอกว่ามีความสุขมากเห็นไหมเพราะจิตมันละเมียนะยมจะเห็นความงามของสิ่งเล็กๆที่ยมละเลยมาตลอดชีวิต เนี่ยจิตมันเปิดเสริฐขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้ทั้งหมดให้คิดได้อย่างไงการปฏิบัติธรรมคือการให้ของขวามที่แสนวิเศษแก่ตัวเองถ้าลูกพาแม่มานั่นคือการมอบของขวัญวันแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สดุดถ้าแม่พาลูกมานั่นคือการเปิดหูเปิดตาลูกที่ยอดเยี่ยมที่สดุดและการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต สมมติแม่ให้เงินลูกลูกอาจทำหายได้นะให้เสื้อผ้าลูกพอลูกต่อขึ้นลูกก็ไม่ใส่นะใช่ไหมแต่ถ้าแม่พาลูกมาปฏิบัติธรรมวันหนึ่งมันไปนเรียนอยู่นิวยอร์กลูกคนนี้ก็ไม่เลวร้ายหรอกอยู่ในตัวลูกจะมีอะไรประเสริฐไปกว่า น, นี้ฉะนั้นถ้าเรารักใครนะให้การปฏิบัติธรรมเป็นของขวัญแก่คนที่เรารักและสิ่งนั้นจะเป็นร่ม คอยกันแดดกันฝนให้กับเขาไปตลอดชีวิตการปฏิบัติธรรมคือการฝึกให้เรามีร่มเป็นของตัวเองฝนตกแดดออกไม่ต้องไปแย่งร่มคนอื่นไปรุ่นที่รักกันแล้วอกหักแล้ฆ่าตัวตายคลงโครงเนเขาไม่มีร่มเป็นของตัวเองเจอปัญหาชีวิตแก้ไม่ได้สุดท้ายจริงทำร้ายตัวเองตายกันโคมงโคล แต่ถ้าเขามีหลักคือมีธรรมสะสนิดหนึ่งนะอกหักนี่ไม่ถึงตายหรอกที่ตายเนี่ยเพราะเขาคิดเพื่อให้ตัวเองตายระมังการอกหักนี้ไม่ถึงตายอยู่ต่อไีกสักปีหนึ่งนะทําไห้กล้าตัวตายนะถ้าไวรุ่นอกหักนะจะมานั่งหัวเราะเยาะตัวเองว่าทําไปได้ยังไงใช่ไหมหลายเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราตอนที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์แทบล้มระดาตายนะแต่พอมันผ่านไปเมื่อเราให้เวลาแก่เวลาพอสมควร เวลาเยียวยาทุกสิ่งได้นะและยิ่งมีธรรมะใช้คู่กับเวลาด้วยนอกจากเยียวยาด้วยเวลาและเยียวยาด้วยธรรมะแล้วเราย้อนกลับไปมองอดีตตอนที่เราร้องไห้เป็นว่าเป็นหลังเราจะเห็นว่าเราเหมือนเด็กๆแต่พอเราผ่านเรื่อง เ, องเลวร้ายมาได้เราจะเห็นว่าชีวิตมันยอดมากเลยฉะนั้นเมื่อมันทุกข์ขึ้นมาอย่าไปจริงทําร้ายตัวเองคนมีธรรมะก็ไม่ทําร้ายตัวเองเหรอกฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมคือการฝึก ที่จะทำให้เรามีร่มเป็นของตัวเองฝนตกกลางร่มให้ตัวเองแดดออกกลางร่มให้ตัวเองไม่ต้องไปแย่งร่มคนอื่นมาใช้และยิ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร่มของเราจะเป็นร่มคันใหญ่จากร่มเล็กๆจะกลายเป็นฉัดจากฉัดชั้นเดียวจะกลายเป็นฉัดสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้น พอปฏิบัติไปจนมีประสบการณ์ตรงส อ, สอนคนอื่นได้เราจะกลายเป็นคนที่มีฉัาดเก้าชัช้นสะเทินสุขสะเทินทุกทุกเกิดขึ้นมาก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองสุขเกิดขึ้นมาก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีอะไรทําให้เราหนักหนาสหัสในทุกขเราก็มองเห็นความสุขในสุขเราก็มองเห็นความทุกข์ว่ามันแฝงกันอยู่ในกันและกัน เนี่ยพอเรามีความเข้าใจอย่างนี้ปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะั้นเป็นสนามปฏิบัติการทางปัญญาและชีวิตของเราทั้งชีวิตก็คือขุมคลังของความรู้ขุมคลังของภูมิปัญญาซึ่งตักตวงได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะฝึกไปให้มันถึงขั้นนั้นอะไรเกิดขึ้นมาปรับเป็นปัญญาให้หมดทุกเกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นปัญญาให้หมดถ้าได้อย่างนี้แล้วยมสบายมากร่มของโยมนี่ นอกจากจะ ก, กันแดดกันฝนให้ตัเองนะมีร่มมีเงาเย็นสบายแล้วนะใครอยู่ใกล้ๆเขาเจเลยรับอ่านนี้ส่งในหนึ่งครอบครัวถ้ามีคนปฏิบัติธรรมบ้านนั้นเป็นสวรรค์ในหนึ่งครอบครัวถ้ามีคนที่ทำตัวตรงข้ามกับธรรมะคือคือประพฤติอธรรมเช่นในครอบครัวหนึ่งถ้ามีคนที่เล่าอยู่หนึ่งครอบครัวนะตกนรกญาติพี่น้องลูกเมียตกนรก ในหนึ่งครอบครัวถ้ามีผีพันนันอยู่คนหนึ่งนะเช่นถ้าสามีเป็นผีพันนันนะลูกแก้วเมียขวัญตกนรกในหนึ่งครอบครัวถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งติดยาครอบครัวนั้นตกนรกจริงไหมในทางกลับกันในหนึ่งครอบครัวถ้ามีคนดีๆอยู่ในนั้นเช่นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่เจริญสติเป็นคนที่มีสติดีมากพอเขามีสติเขาก็ไม่พูดอะไรทําร้ายลูกทําร้ายเมียล่ะเห็นไหมเขาจะกลายเป็นร่มคันใหญ่ที่ปกป้องทั้งตัวเอง และปกป้องแผ่ร่มแพงเงาปกป้องคุ้มครองคนอื่นก็ได้ด้วยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าแม่วันนี้ถ้าแม่พาลูกมาแม่กําลังจะบอกลูกว่าลูกรักแม่ไม่ได้อยู่กลางร่มให้ลูกตลอดชีวิตนะวันหนึ่งแม่จะต้องจากลูกไปแต่ถ้าลูกปฏิบัติธรรมเป็นแล้วลูกจะมีร่มเป็นของตัวเอง ที่แม่พาลูกมาเนี่ยแม่กําลังจะติดตั้งโปรแกรมร่มอัตโนมัติให้ลูก <c oughs> เห็นไหมเพราะว่าหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วลูกนี้ติดตั้งโปรแกรมร่มอัตโนมัติเลยนะเดินไปบนถนนโดนคนดา่าปุ๊บลูกหันไปยี้ไม่กลัวแล้วธรรมดาถูกชมก็กท่าถูกด่าก็ไม่เลวชีวิตก็ไม่แค่นี้ยะ <c oughs> เห็นไหมมันทุกข์ไหมมันเริ่มรับอะไรที่เคยรับไม่ได้แบบสบายๆชิวๆความทุกข์เป็นเรื่องชิวๆ ความล้มเหลวเป็นเรื่องเฉีวเฉีวทุกอิจฉาแล้วอ๋อธรรมดาไม่มีใครอิจฉาคนกระจอกงอกง่อยหรอกคนที่ทูกอิจฉามันต้องไม่ธรรมดานะเห็นไหมความอิจฉาก็เล่นงานไม่ได้นี่คนมีธรรมะมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนมีร่มแล้วไงมันเริ่มไม่เปียกแล้วแดดเผาก็เริ่มไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแล้วทีนี้ถ้าลูกพาแม่มาลูกก็ได้มอบร่มที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดให้แม่ ร่มคันนั้นไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นฉัดแก้วคุ้มเกศคุ้มกล้าวให้กับมารดาบังเกิดกล้าวเป็นการตอบแทนพระคุณที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะพึงทำได้ฉะนั้นที่เรามากันนี้โดยมากก็จะมาเป็นคู่แม่ลูกเพื่อนถ้ารักกันจริงก็ต้องมอบร่มให้เพื่อนหรือดีกว่านั้นไม่ต้องมอบร่มให้เพื่อนสอนเพื่อนให้กลางร่มด้วยตัวเองนี่หละ ถ้าเรามีธรรมะเราประพฤติปฏิบัติธรรมนะเรามีสติเรามีร่มคันใหญ่อายุมากขนาดนี้แล้วไม่ต้องบอกลูกบอกหลานให้มากลางร่วมให้ยายนะไม่ต้องยายพึ่งตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นมันประเสริฐมากเนี่ยทุกคนมานี้นะมาเรียนรู้ศิลปะ ก, การติดตั้งร่มอัตโนมัติการใช้ชีวิตเหมือนเดินอยู่กลางแดดกลางฝนเหมือนเดินอยู่กลางทะเลทราย เต็ไมไปด้วยความทุกข์สลับกับความสุขแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ท่ามกลางทุกข์เราก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางสุขเราก็ไม่ประมาทไม่หลงตัวเองเราจะสามารถสุขได้โดยไม่ประมาทและทุกข์ได้โดยไม่เจ็บช้ำน้ําใจและเมื่อขึ้นสูงเราก็ไม่หลงเมื่อลงต่ําเราก็ไม่ท้อ หนักหนาสหาัสแค่ไหนเราก็ไม่ทำร้ายตัวเองจนตกตายไปให้เสียชาติเกิดนี่อา น, นิสงธรรมะมันขนาดนี้นะฉะนั้นบัด น, นี้พวกเราทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วเนะี่ยมีโอกาสที่จะฝึกอาจารย์จะสอนเหลาขันร่มวันนี้นะพอเรากางร่มให้เต็มเปคือมีสติแล้วจากนั้นบางคนอาจจะเปิดธุรกิจเลยนะขายร่มปีท <c oughs> ี่แล้วไปสอนฝรั่งที่ในเทือก หลักสูตรแค่สี่วันปีนี้อาตมาภาพกลับไปสอนมีฝรั่งมาเข้าคอร์สหกสิบคนมากกว่าสิบประเทศมีคนหนึ่งซึ่งมาเรียนสี่วันกับอาตมาภาพนะ่ะกลายเป็นอาจารย์เลยเป็นอาจารย์สอนการเจริญสติในบริษัทของเขาแค่สี่วันปีนี้ปลายปีนี้เขาจะมาอยู่กับพระอาจารย์เจ็ดวันแล้วขอให้พระอาจารย์ออกประกราศนสยบัตให้ด้วยเขาบอกว่าถ้าผ่านหลักสูตรขั้นสูงนะเขาจะ ระดับชาติเลยนะเห็นไหมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะเขามีร่มแล้วเขาพาบริษัททั้งบริษัทเจริญสติทุกวัน